มารยาทและงามจิตทีนี้มาถึงแหล่งใหญ่ของความงามคือเรื่องมารยาทและเรื่องจิตซึ่งเป็นจุดหมายหลักในการแสดงปาฐกถาเรื่องนี้และเป็นเครื่องแสดงเด็ดขาดว่าใครจะครองใจคนได้หรือไม่อภรณ์งามเป็นเพียงผิวนอกของความงามงามอภร์นั้นว่ากันตามจริงแล้วตัวงามจริงๆมันอยู่ที่อภร์ไม่ได้อยู่ที่คนแต่งเช่นเสื้องามความงามมันก็อยู่ที่เสื้อ เป็นแต่ว่าคนไปขอพึ่งความงามของเสื้อคือเอาตัวเข้าไปขอสุกอยู่ในเสื้องามๆเท่านั้นงามอย่างนี้จะตู่เอาว่าเป็นความงามของคนแต่งดูจะไม่ค่อยยุติธรรมนักหรือท่านผู้ฟังจะว่าอย่างไรมันเป็นความงามเพียงผิวเผินสวมได้ถอดได้จึงเอาเป็นการแน่นอนไม่ได้ถึงงามร่างกายก็เหมือนกัน จะอุปโลกเอาว่าคนผิวดีๆเสียงดีๆทรงดีดเป็นคนที่น่าบูชาทีเดียวก็ไม่ได้เสมอไปเพราะว่าคนที่มีผิวละเอียดไม่มีแผลเป็นแม้แต่เท่าหัวเข็มหมุดอาจเป็นคนขี้เกียจงานการไม่ทำจนไม่มีอะไรจะปักจะขวนก็ได้และคนที่มีผิวหยาบกร้านมีริ้วรอยแผลเป็นอาจเป็นคนดีขยันบันเพียนทางานตากแดดกรำฝนก็ได้ในเรื่องส่วนทรงก็เหมือนกันบางคน แขนหักขาหักเพราะตัวต้องทำการรบกู้บ้านกู้เมืองก็มีเพราะฉะนั้นความงามสองชั้นแรกจึงมีน้ำหนักน้อยเป็นเพียงชั้นเปลือกชั้นกระพียังไม่ใช่แก่นของความงามส่วนความงามทางมารยาทและทางจิตที่จะว่าต่อไปเป็นความงามชั้นในจะเรียกว่าแก่นของความงามก็เห็นจะได้บางท่านอาจสงสัยว่า ที่ตอนพรันานาเรื่องความงามทางอาภรและทางร่างกายเหตุใดข้าพเจ้าจึงแยกออกว่าเสียยืดยาวแต่มาถึงเรื่องมรารยาทและเรื่องจิตเกิดตั้งหัวข้อรวมกันและทําท่าว่าจะรวบรัดเสียด้วยจึงขอเรียนให้ทราบว่าเรื่องมรารยาทและจิตเป็นประเด็นหลักในการแสดงปาถกถาเรื่องนี้ที่จะแสดงต่อไปจนจบเล่มก็คือเรื่องมรารยาทกับจิตทั้งนั้น และที่มัดสองเรื่องรวมกันก็เพราะว่ามารยาทกับจิตเป็นความงามที่ต่อเนื่องกันใกล้กันมากเมื่อพูดไปก็เกี่ยวพันกันไปเหมือนอย่างข้าพเจ้าจะพูดถึงความงามของต้นกุหลาบแยกออกเป็นสประเด็นคืองามที่ต้นที่ใบที่ดอกและที่กลิ่นตอนพูดถึงต้นงามใบงามก็พอแยกกันได้แต่พอมาถึงดอกกับกลิ่นมันเป็นของอยู่ด้วยกัน จะแยกกันบ้างก็เพียงเล็กน้อยถ้ารวมกันเสียจะได้ความดีกว่าแยกเลยต้องรวมกันความงามของคนก็เหมือนกันบารยะกับจิตก็เหมือนดอกกุหลาบนั่นเองพูดรวมกันไปดีกว่าน้ำหนักของความงามความงามสี่ชั้นที่ว่ามาแล้วน้ำหนักไม่เท่ากันความงามชั้นในมีน้ำหนักมากกว่าความงามชั้นนอกคือเป็นเครื่องประกันความงามชั้นนอก ยกตัวอย่างอาพรกับร่างกายถ้ามีสองคนให้เราเลือกเป็นคู่รักคนหนึ่งแต่งตัวด้วยแพรพันอย่างสวยงามมากแต่ร่างกายไม่สมประกอบกับอีกคนหนึ่งแต่งกายพอดีพอร้ายร่างกายสมบูรณ์ต้องตามลักษณะร่างกายงามอย่างนี้ท่านจะเลือกคนไหนเป็นคู่รักแน่นอนเราก็ต้องเลือกคนร่างกายดีเข้าไว้ก่อนแม้ว่าเสื้อผ้าจะปุปะบ้าง ก็ยังพอหาเปลี่ยนได้ส่วนคนแต่งตัวเสียเพลิดพริง้งมีทองหยองเต็มตัวนั้นมันเป็นของไม่แน่ไม่นอนหมดสิ้นสูญหายได้และแม้ที่แต่งให้เราเห็นอยู่นั้นก็ไม่แน่นักว่าเป็นของเขาเองอาจยืมคนอื่นมาแต่งก็ได้ในระหว่างร่างกายกับมารยาทก็เหมือนกันผิวนวลพองแต่งตัวเหมือนนางฟ้าแต่มารยาทไม่ดีด่าเก่งพิลึก เช้าด่าเย็นด่าก็แย่ทนไม่ไหวแล้วบางคนถึงจะมีผิวพรรณขี้เรแต่กิริยาวาจาดีก็มีสเสน่ห์ทีนี้ระหว่างมารยาทกับจิตก็เหมือนกันคนที่มืออ่อนขอรับกระผมเก่งๆแต่ถ้าเป็นคนใจร้ายนิสัยต่ำทามใครๆก็ไม่อยากคบโบราณท่านผูกคำพังเพยไว้เปรียบเทียบก็มีเช่นปากร้ายใจดี นี่หมายถึงคนมารยาทไม่งามแต่ใจงามคบกันได้หน้าเนื้อใจเสือนี่หมายถึงมารยาทดีหน้าตายิ้มแย้มแต่ใจคอโห ด, อดร้ายใช้ไม่ได้ปากหวานก้นเปรี้ยวนี่ก็หมายถึงคนมารยาทงามแต่ใจไม่งามคบไม่ได้เหมือนกันพูดไว้เป็นคำเตือนใจกว้างๆก็มีเช่นคำว่าคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อ ในทางศาสนาท่านเพ่งเล็งถึงเรื่องมารยาทและจิตเป็นส่วนใหญ่หรือว่าท่านตั้งคำสอนลงไปสองจุดนี้โดยตรงก็ถูกเป็นการเข้าถึงจุดศูนย์กลางของความงามทีเดียวข้าพเจ้าขอสรุปความในตอนนี้ว่าความงามคือพื้นที่สำหรับปลูกความรักถ้าท่านอยากให้คนอื่นรักและอยากให้คนที่รักอยู่แล้วเพิ่มความรักขึ้นในตัวท่านให้มากๆกก็จงสร้างความงามขึ้นในตัวให้ครบ ตามแนวทางที่ข้าพเจ้าได้ เ, เรียนให้ทราบแล้วคืองามอาภร์งามร่างกายงามมารยาทและงามใจความผิดพลาดในเรื่องนี้มักอยู่ที่ว่าเรามีแต่ร่ำร้องให้คนอื่นเอารักมาปลูกในตัวเราแต่เราไม่ได้เตรียมพื้นที่ที่จะให้รักนั้นงอกงามก็เลยร้างรักอกหักรกระกำสวงหรือบางท่านอาจสนใจเฉพาะความงามจุดใดจุดหนึ่ง ไม่ได้บำรุงให้ทั่วถึงทั้ง4ขั้นก็อาจทำให้รักอับเฉาจืดจางได้โดยง่าย 4. ่เอื้อเฟื้อลายแทงในการพูดถึงมารยาทงามและใจงามที่เราจะต้องสร้างขึ้นในตัวให้เป็นแรงดึงดูดความรักมาจากคนอื่นข้าพเจ้าอยากจะนำเอาลายแทงมหานิยมมาเล่าสู่กันฟังคือข้าพเจ้าได้พบลายแทงอยู่ในหนังสือเก่า เป็นลายแทงมหานิยมคือบอกเคล็ดที่จะทำให้คนรักไว้สั้นแต่ทดลองดูแล้วได้ผลดีมากสามารถที่จะทำให้คนรักได้ไม่ว่าหนุ่มสาวหรือเท่าแก่แม่ไม้ใช้ได้ทั้งนั้นอยากจะเอามาเผยแพร่ให้ท่านผู้ฟังลองใช้ดูบ้างและเป็นวิธีง่ายๆเลิกจากฟังปาฐกถานี้ไปแล้วก็เริ่มทดลองได้เลยลายแทงนั้นเป็นปริศนามีอยู่สองบท บทที่1ว่าถึงไม่ใช่ชาติไม่ใช่เนื้อถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาและบทที่สองว่าถึงเป็นชาติเป็นเชื้อถ้าไม่มีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่านี่เรียกว่าปริศนาหลายแทงคือท่านว่าไว้ให้คิดเอาเองคนอื่นแก้ให้ก็ได้แต่ไม่ค่อยขลังมหานิยมหรือ เคล็ดลับที่จะทำให้คนรักมันคุดอยู่ในลายแทงสองบทนี้เขาพระเจ้าจะช่วยคิดบ้างก็ได้บทที่1ที่ว่าถึงไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาคือความว่าแม้พูดที่เราจะทำให้เขารักนั้นไม่ใช่ชาติเชื้อเนื้อไขอันเดียวกับเราเลยคือไม่ใช่ญาติกาญาติเกออะไรกันเลยแต่ถ้าเรามีอันนั้นเสียแล้วก็จะรักใคร่สนิทสนมกัน และพึ่งพาอาศัยกันได้ดีที่สุดเหมือนกับเนื้อตัวของเราเองนี่เป็นความหมายของบทที่1ส่วนบทที่สองที่ว่าถ้าเป็นชาติเป็นเชื้อถ้าไม่มีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าหมายความว่าคนเรานี้แม้จะเป็นวงศ์สาคณาญาติอันเดียวกันหรือเป็นพี่ร่รวมท้องน้องร่วมไส้คลานตามกันออกมาก็ตามถ้าไม่มีอันที่ว่านั้นนั้นเสียแล้วก็ไม่รักกัน และพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้เหมือนกับเนื้อในป่าขอโทษเถอะที่ว่าเนื้อในป่าคือสัตว์ป่าชนิดสัตว์โตสัตว์ป่านั้นไม่เหมือนสัตว์บ้านมันมีอยู่สองพวกพวกหนึ่งเวลาเราบ่ายหน้าเข้าไปหามันมันจะวิ่งหนีหน้าเราไปทันทีไม่ยอมให้พบอีกพวกหนึ่งเวลามันเห็นเราเข้ามันจะวิ่งเข้าใส่เราทันทีเหมือนกันพวกนี้เราต้องวิ่งหนีมันตกลงว่าทั้งสองพวกพึ่งไ่ได้ทั้งนั้น โบราณท่านเอาคนไปเปรียบกับสัตว์ป่าคือคนเราแม้จะมีความเกี่ยวพันกันในทางเลือดเนื้อเชื้อไขเช่นเป็นลูกหลานหรือพี่น้องกันก็ตามถ้าขาดสิ่งที่ว่านั้นเสียอย่างเดียวก็กลายเป็นอื่นหมดตามธรรมดาคนเรามีทางที่จะเกี่ยวพันกันได้หลายทางเช่นว่าเคยอยู่โรงเรียนเดียวกันเป็นสิทธิ์อาจารย์เดียวกันบวชวัดเดียวกัน เราอยู่บ้านเดียวเมืองเดียวกันเหล่านี้เป็นต้นแต่ความสัมพันธ์เหล่านี้ก็หย่อนกว่าความสัมพันธ์ทางเลือดเนื้อเชื้อไขทั้งนั้นที่ท่านยกเอาเรื่องชาติเชื้อขึ้นมาว่าจึงเป็นการเพียงพอที่เราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าคนเราจะสัมพันธ์กันทางใดก็ตามถ้าขาดอันที่ว่านั้นเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นเนื้อในป่าได้ทั้งนั้นทีนี้อันที่ว่านั้นอะคืออะไรแต่หวังว่าทุกท่านคงแก้ปริศนาได้เองแล้ว ความเอื้อเฟื้ออย่างไรเล่าท่านเอื้อเฟื้อนั่นแหละคือตัวมหานิยมมีไว้แล้วทําให้คนรักถ้าอยากให้เขารักก็ต้องบริการบ่อยๆเอื้อเฟื้อเอื้อเฟื้อเอื้อเฟื้อดีนักเวลาไปหาใครก็เสกเอื้อเฟื้อเวลาใครมาหาเราก็เสกเอื้อเฟื้อเขียนติดไว้ที่ประตูบ้านก็ได้บ้านเอื้อเฟื้อแล้วคนทั้งหลายก็จะกลายเป็นเนื้ออาตมาตามที่ว่ามาแล้ว เลิกจากฟังปากฐกถาวันนี้ลองซ้อมเสกเอื้อเฟื้อกับคนที่อยู่ทางบ้านดูก็ดีเหมือนกันคถามหานิยมในทางพระพุทธศาสนาคําสอนที่เป็นพระพุทธวจนะโดยตรงยืนยันข้อความที่ว่าแล้วนั้นก็มีเหมือนกันและมีอยู่หลายแห่งหลายเรื่องถ้าจะยกมาอ้างให้หมดประเดี๋ยวก็จะกลายเป็นฟังบาลีไปหรือทําให้บาลีเฟ้อหมดรถ ที่อยากจะอ้างถึงมีอยู่ข้อหนึ่งคำบาลีว่าปปเววะสเนวาเซนะป จ, จุปป น, นะอิเตนะวาเอวันตังจายเตเปมังอุปลังวะยยโทเดเกท่านนักธรรมะอาจจะคิดท้วงว่าความหมายของคถานี้กระเดียด จ, จะว่าด้วยความรักของหนุ่มสาวหรือรักระหว่างเพศเพราะบาลีใช้คำว่าเปมัง ที่ท้วงมาอย่างนี้ก็ถูกเหมือนกันข้าพเจ้าไม่เถียงแต่ข้าพเจ้าก็คิดดูแล้วคาว่าเปมะที่แปลว่าความรักเป็นศัพท์ที่มีความหมายกลุ่มไปกว้างขวางโดยจะใช้ได้กับความรักที่ประกอบด้วยความเยื่อายทุกอย่างพูดง่ายๆคือความรักของคนที่มีกิเลสและก็ตรงกับความประสงค์ของข้าพเจ้าที่แสดงปาทขาเรื่องนี้โดยมุ่งผลเพียงให้ท่านผู้ฟังสามารถครองใจคนอื่นได้ ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามและไม่ว่าเขาจะอยู่ในฐานะอย่างไรกับท่านเช่นเป็นบิดามารดาบุตรภรยาเพื่อนฝูงผู้ปกครองผู้ใต้ปกครองและอื่นๆและแม้แต่ผู้ที่ได้พบปะเพียงชั่วครั้งชั่วคราวก็ตามเพื่อที่เขาเหล่านั้นจะได้ให้ความสนับสนุนแก่ท่านเกี่ยวกับธุรกิจประจำวันซึ่งเป็นอุบายให้เกิดความสาเร็จและเจริญก้าวหน้าทั้งเป็นการสร้างสันติสุข ในวงสังคมทุกชั้นคาถามหานิยมที่ยกมานั้นข้าพเจ้ายังไม่ได้แปลและก็ขอย่างไม่แปลไว้ก่อนอยากจะเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับคาถาบทนี้สักนิดหน่อยก่อนความจริงคาถาบทนี้ท่านรุ่นเก่าท่านเรียกว่าคาถาปุเตสันนิวาตไม่ได้เรียกว่าคาถามหานิยมเมื่อครั้งข้าพเจ้าเป็นสามเณรราวๆอายุ1 5บหถึงปีข้าพเจ้ายังไม่ได้เรียนภาษาบาลี และยังไม่ทราบเลยว่าคาถานี้มีมาในคัมภีร์ทางศาสนาแห่งใดหรือไม่มีพระองค์หนึ่งเป็นพระผู้เจ่าท่านบอกว่าท่านมีคาถาปุปเปสันนิว่าถ้าบริกรรมตามวิธีแล้วจะเห็นคนที่จะเป็นเนื้อคู่กันถ้าชายบริกรรมก็จะเห็นผู้ที่เป็นภรรยาของตนถ้าหญิงบริกรรมก็จะเห็นผู้ที่จะเป็นสามีของตนวิธีบริกรรมนั้น ท่านว่าทำอย่างนี้ให้หากระจกเงาบานใหญ่พอสมควรมาตั้งไว้ตรงหน้าแล้วก็เอาบาด ท, ที่พระบินทบาทหนึ่งใบใส่น้ำต้มและมีดอกบัวปักไว้ในน้ำนั้นอีก 2-3 ถึงดอกข้างๆ้างบาดให้มีเครื่องแต่งตัวของผู้หญิงวางไว้หนึ่งสำรับมีผ้านุ่งสบยหวีเสื้อและอื่นๆตามเรื่องถ้าผู้หญิงอยากดูเนื้อคู่ ก็ให้หาเครื่องแต่งตัวผู้ชายนี่เล่าเท่าที่พอจำได้ทีนี้เมื่อได้เครื่องพร้อมแล้วก็นั่งบริกรรมหันหน้าเข้าหากระจกเงาบริกรรมคาถาปบเปีปปะสั้นนิวาเซนะและอื่นๆกลับไปกลับมานานๆจนจิตสงบหรืออย่างไรก็จำไม่ได้เสียแล้วต่อจากนั้นจะมีรูปผู้หญิงมาปรากฏขึ้นในกระจกซึ่งมีรูปตรงกับ ผู้ที่จะได้อยู่กินเป็นสามีภรรยากันในภายหน้าแล้วรูปที่ปรากฏนั้นจะเป็นรูปปัจจุบันของผู้เป็นเนื้อคู่เช่นว่าขณะนั้นเนื้อคู่ของเราเพิ่งจะเกิดใหม่ๆก็จะเห็นเป็นเด็กนอนอยู่ในเปลดังนี้เป็นต้นเรื่องนี้มีฝอยพิสดารอีกเยอะแยะข้าพเจ้าไม่ได้สนใจจำเพราะไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงที่นำมาเล่านี้ก็เพียงแต่เล่าสู่กันฟัง เพราะไหนๆก็ได้ยกคาถาบทนี้มาอ้างแล้วไม่ใช่มาชักชวนให้นั่งบริกรรมหรือถ้าใครนึกขลังจะลองดูบ้างก็ไม่ว่าครั้นอยู่มาอยู่มาข้าพเจ้าได้ร่ำเรียนทางพระจึงไปพบคาถาบทนี้เข้าในคำพีพระธรรมบทแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีฝอยพิสดารเป็นคาถาที่มาในรูปคำสอนและต่อมาก็มาทราบอีกครั้งว่าคาถาบทนี้ ก็เข้ากันได้อย่างตรงตัวกับลายแทงเอื้อเฟื้อที่ว่ามาแล้วในตอนต้นคำแปลคาถานั้นว่าความรักย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุสองประการคือ 1. เคยอยู่ร่วมกันมาแต่ปางก่อนและ2ได้ให้ความอุดหนุนเกื้อกูลกันในปัจจุบันเปรียบเหมือนดอกบัวจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยอาศัยน้ำกับตม ความหมายของคาถานี้เท่าที่แปลไว้ก็ชัดเจนพอตัวแล้วคือหมายความว่าความรักเกิดขึ้นได้หรือเรากับเขาจะรักกันได้ก็จะต้องมีเหตุสองอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างเป็นมูลฐานกล่าวคือได้เคยร่วมกันมาก่อนที่เรียกว่าเบเปรศนิวาสเช่นเมื่อชาติก่อนเคยเป็นสามีภรรยากันครั้นมาชาตินี้ได้มาเจอกันเข้า ความสัมพันธ์ทางใจที่เคยมีอยู่ก่อนหน้านั้นก็จะส่งกระแสเข้าถึงกันรักใคร่สนิทสนมกันง่ายอย่างที่ว่าเพียงแต่ศบเนตก็เสียววาบเข้าไปถึงหัวใจหรือเพียงแต่ได้ยินชื่อก็เกิดรักจนนอนไม่หลับเอาทีเดียวในฐานะที่เคยเป็นลูกเป็นพ่อแม่หรือเป็นมิตรกันก็เหมือนกันต่างฝ่ายจะเกิดความรัก คุ้นเคยกันได้รวดเร็วถ้าหากว่าเคยมีบุพเพสนิวาสกันเรื่องเหล่านี้จะเป็นเหตุผลทางจิตและธรรมข้าพเจ้าขอผ่านไปก่อนจะเอาไว้พูดในเรื่องต่อไปส่วนเหตุที่ทําให้คนรักกันประการที่สองนั่นสิที่ต้องการนํามายืนยันและเป็นเค้าโครงสําหรับการแสดงปฐาฐกถาเรื่องนี้ต่อไปเหตุที่ว่านี้คือการเครื้อกูลกันภาษาบาลีใช้คําว่า h i ตะแปลว่าประโยชน์เกื้อกูลโดยใจความก็คือเอื้อเฟื้อนนั่นเองชาวบ้านเราก็ชอบพูดควบกันอยู่เสมอว่าเอื้อเฟื้อเกื้อกูลความหมายของคำทั้งสองจึงเป็นอันเดียวกันท่านผู้ฟังคงจะได้ผ่านข้อความตอนหนึ่งในหนังสือคนวิธีแก้ทุกข์ของข้าพเจ้ามาแล้วคือตอนที่ว่าด้วยการสร้างบริวารซึ่งได้กล่าวไว้ว่าบริวารมา เพราะน้ำใจมีบริวารหนีเพราะน้ำใจลดบริวารหมดเพราะน้ำใจแรงและได้เสริมไว้นิดหน่อยว่าถ้าอยากได้บริวารก็จงสร้างน้ำใจถ้าไม่มีน้ำใจก็ป่วยการถ้าอยากได้บริวารเปรียบเหมือนเราจะเลี้ยงปลาก็ต้องมีน้ำถ้าไม่มีน้ำก็ป่วยการคิดเลี้ยงปลาน้ำใจที่ว่าไว้ในคำเหล่านี้ก็คือน้ำใจเอื้อเฟือนั่นเอง น้ำใจเนื้อแท้ของความเอื้อเฟื้อเกิดอยู่ที่ในใจหมายถึงใจที่ให้คนอื่นพึ่งได้ลองนึกถึงคนทั่วๆไปเสียก่อนจะได้ทราบว่าธาตุแท้ของความเอื้อเฟื้อเป็นอย่างไรและอยู่ที่ไหนคือสิ่งของบางอยา่างนอกจากจะทรงตัวเองอยู่ได้แล้วยังให้ผู้คนหรือสัตว์สาวาสิงพึ่งพิงได้ด้วยเช่นเป็นต้นว่าภูเขา นอกจากจะเป็นเพียงก้อนหินที่ยื่นขึ้นไปในอากาศเฉยๆแล้วยังมีทานน้ำตกหลั่งไหลมาให้ต้นไม้ใบหญ้าชุ่มชื้นและให้สัตว์ได้กินให้ผู้คนได้อาบเล่นสนุกสนานอีกด้วยความจริงถึงภูเขาจะไม่มีน้ำตกมันก็มีศักเป็นภูเขาได้เหมือนกันส่วนที่มีน้ำตกให้เกิดผลประโยชน์พิเศษขึ้นนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากต้นไม้ที่มีดอกงามๆหอมๆก็เหมือนกันถึงมันจะไม่มีดอก ศักของมันก็เป็นต้นไม้ต้นหนึ่งเหมือนกับต้นอื่นๆแต่ที่มันมีดอกให้มลเงผู้ได้ตอมให้คนได้ดูงามๆหรือกระจายกลิ่นหอมๆนั้นเป็นประโยชน์พิเศษถ้าเอามาเทียบกันดูระหว่างของที่เป็นตัวของตัวเองล้วนๆไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรแก่ใครเลยกับของที่มีประโยชน์เผื่อแผ่พิเศษออกไปด้วยความนิยมของคนก็ต่างกันสิ่งใด หรือที่ใดมีประโยชน์เผื่อแผ่ไปถึงสิ่งอื่นด้วยหรือไปถึงคนอื่นด้วยคนก็นิยมสิ่งนั้นมากกว่าประโยชน์พิเศษที่งอกเงยออกไปจากตัวเองนั้นถ้าเกิดขึ้นในตัวคนเรียกว่าความเอื้อเฟื้อเป็นอาการอย่างหนึ่งของจิตเกิดขึ้นในจิตใจก่อนแล้วจึงแผ่กระจายออกไปยังคนอื่นอาการที่จะแผ่กระจายออกไปหาคนอื่นนั้นเราเรียกว่าความเผื่อแผ่ คือมีความดีหรือประโยชน์เผื่อแผ่ไว้สําหรับแผ่กระจายออกไปให้คนอื่นด้วยม่ใช่สําหรับตัวคนเดียวใจที่มีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ออกไปหาคนอื่นด้วยนั้นเป็นใจพิเศษอยู่เหมือนภูเขาที่มีน้ําอยู่ในตัวเองแล้วยังปล่อยให้ไหลหลั่งออกไปช่วยที่อื่นสิ่งอื่นด้วยนั่นเองประโยชน์ที่เผื่อแผ่ออกมาจากใจคนภาษาไทยเรียกว่าน้ําใจ ใจของใครมีน้ำคนนั้นก็เรียกว่าเป็นคนมีน้ำใจเป็นที่รู้กันว่าเป็นคนน่ารักน่าครบหาสมาคมตรงกันข้ามคนที่มีใจไม่มีน้ำเป็นคนที่น่าชังไม่น่าครบใช้คำว่าน้ำใจในอาการของจิตสำหรับที่นี้ดูเหมือนจะหมายถึงความชุ่มเย็นคล้ายๆกับลักษณะของน้ำภายนอกนั่นเองที่ไหนมีน้า ที่ดินก็ดีต้นไม้ใบญ้าก็งามสัตว์ทั้งหลายก็ชุกชุมผู้คนก็ชอบเรียกว่าดีหลายอย่างคำว่าน้ำก็เลยเอาไปใช้ในความหมายเช่นนี้ด้วยเช่นน้ำคำน้ำมือและน้ำใจเป็นต้นคนที่มีน้ำใจนั้นบางทีก็เรียกว่าคนใจขอกว้างขวางหรือคนมีใจอบอ้อมหรือใจอารี ซึ่งรวมแล้วก็มีความหมายเหมือนกันคือเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดังกล่าวแล้วที่พูดมาตอนนี้ต้องการชี้ให้เห็นว่าเหตุแท้ของความเอื้อเฟื้อนั้นเกิดอยู่ที่ใจฉะนั้นการที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นคนเอื้อเฟื้อก็ต้องสร้างขึ้นที่ใจคือทำใจของตนให้เกิดเอื้อเฟื้อขึ้นก่อนเหมือนภูเขาที่มีน้าไว้ในตัวแล้วจึงปล่อยน้านั้นออกไปหรือเหมือนต้นไม้ที่มีดอกขึ้นในตัว แล้วจึงแผดดอกออกไปคนที่ไม่มีท่าแท้ของความเอื้อเฟื้ออยู่ในใจแม้จะทำการส่งเคราะห์หรือช่วยเหลือคนอื่นก็ทำได้แต่ก็ทำไปแห้งๆหรือทำไปตามหน้าที่บังคับเท่านั้นเองงานที่ทำก็ออกไปอย่างแห้งๆถึงวันเกิดทีปีใหมท่ทีก็ถือกระเช้าไปว่าคำอวยพรให้กันทีแต่ใจจริงก็เฉยๆเรียกว่าไม่มีน้าใจ การทำงานของคนเราสังเกตได้ว่าผู้ทำมีน้ำใจหรือไม่เช่นในการติดต่อการรักษาพยาบาลตลอดจนกิจการอื่นๆทั้งหมดแม้แต่ที่ข้าพเจ้าแสดงปาถักถาหรือแต่งหนังสือนี้ท่านผู้ฟังหรือผู้อ่านก็พอจะสังเกตได้ว่าใจข้าพเจ้ามีน้ำหรือไม่เรื่องนี้เอาไว้พูดตอนอัถจริยาอีกทีในตอนนี้ เพียงแต่อยากจะเน้นว่าความเอื้อเฟื้อต้องให้เกิดในใจจริงจึงจะมีค่าถ้าแต่เพียงแ้งทําคือทําศักิ์แต่ว่าเพราะเสียไม่ได้ผลในทางยึดเหนี่ยวใจคนอื่นจะน้อยลงทําให้คนอื่นรักได้เหมือนกันแต่รักผลอเผลอไม่จริงจังคล้ายกับเวลามีงานจะเล่นรําวงเขาแต่งต้นไม้สวยๆเอาดอกไม้มาประดับต้นมะขามเป็นชอบเป็นชอบพราวไปหมดคนเห็นเข้าก็นึกชอบ แต่ความชอบนั้นก็เผลอไม่ใช่รักใกรหรือชอบใจต้นมะขามจริงๆเพราะเขารู้ว่าดอกไม้สวยๆนั้นไม่ได้ออกมาจากต้นมะขามจริงๆเพียงแต่เอามามัดติดไว้เท่านั้นคนที่แ้งทําเอื้อเฟื้อคนอื่นก็ได้รับความรักเหมือนกับที่ต้นมะขามได้รับนั่นแหละหลักเอื้อเฟื้อ4ประการการพูดถึงพุทธวิธีครองใจคนในขั้นตอนต่อไปก็จะต้องพูดถึงการเอื้อเฟื้อ ตามหลักพระพุทธโอวาทโดยแสดงหลักการใหญ่ๆแล้วแยกแยะออกไปโดยละเอียดให้เห็นว่าหลักการแต่ละอย่างนั้นมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรพร้อมกับเหตุผลทั้งทางโลกทางธรรมหลักการเอื้อเฟื้อมีอยู่4ประการในภาษาทางธรรมเรียกว่าสังหะวัตถุแปลว่าวิธียึดเหนียวใจคนอื่นถือเอาความว่าการเอื้อเฟื้อคือ 1. ฐานะ การให้ปัน 2. ปิยาวาจาใช้คำพูดที่น่ารัก 3. อัฏจริยาประพฤติประโยชน์และ 4. สมานตตาตาวางตัวสม4อย่างนี้เป็นหลักการใหญ่และเป็นหลักสากลสำหรับคนทุกชั้นและทุกเพศรวมทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ด้วยต้องถือหลักการทั้ง4นี้ทั้งนั้นจะต่างกันบ้างก็แต่วิธีการเปลีกย่อย ของพระอย่างหนึ่งของชาวบ้านเราอย่างหนึ่งและก็ลงกันเป็นส่วนมากยกตัวอย่างเช่นฐานะการให้ปันทรงสอนชาวบ้านให้รู้จักแบ่งปันของกินและของใช้แก่เพื่อนบ้านฝ่ายพระก็ทรงสอนให้รู้จักเฉลี่ยลาบที่ได้มาโดยธ ร, รมแก่เพื่อนบันปะชิตปิยวาจาทางชาวบ้านทรงสอนให้ใช้คำพูดสุภาพอ่อนโยนเช่นคาว่า ลุงป้านาอาและอื่นๆทางพระทรงสอนให้ใช้คำสุภาพเช่นคำว่าอาวโซพันเตและคำอาละปัะในวงเล็บคำสำหรับร้องเรียกอื่นๆอีกหลายคำอัฏฐจริยาทรงสอนชาวบ้านให้ช่วยกันทำไร่ไถนาฝ่ายพระก็ทรงสอนให้ช่วยกันทำกิจของเพื่อนบรันรบชิตเช่นช่วยเย็บจีวร ช่วยรักษาพระอ า, าพาธเป็นต้นสมานัตตาทรงสอนชาวบ้านให้วางตัวสมกับฐานะตำแหน่งฝ่ายพระก็ทรงวางหลักการกราบการไหว้การยืนการนั่งในระหว่างสงด้วยกันรวมความว่าการเอื้อเฟื้อที่คนเราจะปฏิบัติต่อการมีหลักการใหญ่อยู่สีหลักคือหลักทานหลักปิยาวาจาหลักอัถจริยา และหลักสมาณตัตาทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งหญิงทั้งชายทั้งชาวบ้านชาววัดต้องถือหลักนี้ผิดแผกกันบ้างในส่วนวิธีปลีกย่อยหรือสิ่งที่ทมเท่านั้น